ช่วงอากาศ ร, ร้อนก็เป็นเหตุให้ไปเกิดใหม่หลายคนไปใช้ว่าเกิดใหม่น่าจะชอบเนาะถ้าว่าบอกว่าตายนีนโกรธกันเลยไม่อยากคุย้วยเวลาคุยกับใครเราบอกอยากไปเกิดใหม่ไหม วันนี้เราได้ยินคำที่เป็นมงคลหลายเครื่องเปรื่องมองคลอยากรู้ว่าคุณมาจะเป็นเทศเพราะทำไมเปลี่ยนสีไปประเทศไปไทยสีนี้เกิดมาทิ้ดละก็ไปรับบับรมเจ้าเล่ห์กฤษฎาเพื่อไปประกฤษฐานที่ประเทอินโดนีเซีย ไม่ชวนเนื้อนะหาาฟังวางธรรมะวางทำฟังให้เป็นธรรมะฟังยางไงให้เป็นธรรมะช่วงนี้เดินทางมาพักวัดวันสองวันเดียวไปละไปวันที่ห้าอยู่วัดสองวันกับวันที่สิบห้า อเรื่องขอเด็กธรรมเด็กธรร ม, มอิสากะประชาสมบันในพระรศาทธิ์จริงเด็กธรรมมันใช้ตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าถัาพระภาษาเราง่ายกืออกบวชตัสาพร ะ, พระนั่อกท่านเป็นพระราชารชาษฎ เรียกมาหาเวเนซุ่มเป็นรายาสั้ภาษาเราก็คือเนกขมะเนกขมะจริงๆคืออะไรไปทำช่วงทำกิจกรรมได้มีกิจกรรมอยากจะให้มีส่วนที่เป็นปริยัตเยอะหน่อยเพราะบางเรื่องที่เรา จำๆต่อๆกันมาโดยทางปฏิบัติกหมายถึงต้นต่อเรื่องราวจริงๆคืออะไรเราจะได้รู้ที่มาที่ไปหลคนบางค น, นงพิน่กับมาจากอินเดียตามมาได้อะไรก็ไปมาหลายรอบแล้วมัไปอินเดียได้อะไรอาบแก่ไปกับอิตกาปูน มันก็ได้แค่ไปกราบถ้างั้นไม่ต้องไปไกลก็ได้ม嘛ประเทศไทยเยอะแยะมีลินใเนี่เยอะแยะเลยต้องไปเอาเป็นอย่างยะไปเอาสัญญาไปเอาปัญญาก็าแปลว่าลองดูสภาพเดินฟ้าอากาศของอินเดียของทุกฤดูโดยจะเป็นร้อนในช่วงนี้อ่ะร้อ เขาบอกร้อนจริงๆลงแต่แต่50องศา50กว่องศาอยู่ได้ไงนี่คือเมืองที่พุทธเจ้าเกิดสาวง่ายๆเปลอาหน้าหนาวเราองนักสภาพพอหนาวมากหน้าฝนนีเเ่เป็นเมืองที่พุทธเจ้าเกิดเกิดออกมัธยมประเทศ จริงๆแล้วไม่ว่ารวมเกือบทุกศาสนาเกิดในเอเชียในรุเอเชียกลางโดยภาพรวมของศาสนาใหญ่ๆของโลกในปัจจุบัน อ, อย่างพูทธเจ้าแต่ว่าอินเดียจุลปุวีเป็นมัธยมคืออยู่โซนกลางกลางของมัธยมคือกลางทาไม ร้านอื่นบางอื่ น, น, นเขาอยู่แข่ง เ, นเนยอะแยะฝรั่งเมืองค่าจีนเขาก็มีประชากราพอๆกันปัจจุบันนี้อินเดียแซงหมดละประชากรก็แซงประเทศจีนไปละเมื่อก่อนจีนตอนนี้อินเดียเพราจีนก็าคุมกำเนิดที่เดียวเขาปล่อยทิ้งที่ไปเยอะก่อนแล้วแต่ว่าคุณภาพเป็นอยู่มันแตกต่างกันด้เสิ้นเชิง เนี่มาดูความเป็นอยู่ที่เป็นปัจจุบันสภาพอินเดียที่เป็นปัจจุบันทำไมศาสนาหายไปจากอินเดียหลังจากาพุทธปริพันธแล้วเต็มที่เกือแปดร้อยปีว่าหลังจากนั้นก็มันเป็นเรื่องของสะพูภาษาเราง่ายเรื่องกระดาอาคมเป็นบนกระดาเรื่องความจำเรื่องปริยัต ในทางปฏิบัติแทบไม่มีน้อยน้อยมากสุดท้ายก็ศาสนาอื่นครับ็ยำก๊อปีลอกแล้วก็เปลี่ยนคำาสัตยธรรมปรูปเกิดขึ้นหลังจากนั้นยังโชคดีที่พระเจ้าอโศกมหาราได้จัดระเบียบไว้ได้ทำสั่งขยนงานหลังพุทธกาลสองสามครั้งี่เป็นหลัก สุวรรณเราก็ถือว่ายุคปลายแล้วชีวิตเจ็ดยอดถ้ากนภาษาปัจจุบันทีวิตเจ็ดยอดแต่เราก็ไม่มีการบันทึกเป็นที่ยอมรับเราถือว่าบ้านเราก็มีการทําสังฆทานชีวิตเจ็ดยอดมันเริ่มจากยุคประชราธิปไตยก็ถือว่าเป็นยุคฟื้นฟูศาสนาอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้ามาจากักลาง ซึ่งลังคา ต, ต่างจากอินเดียหลังเกพระชาอาศกหมดอำนาจแล้วแต่ว่าก่อนนั้ น, น, นท่านก็ทรงสำนักรถไปแผ่แต่ทุกสารทิ์บ้านเราก็รับไอส่งในช่วงนั้นก็นเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆแต่ว่าก่อนจะมาถึงบ้านเราลองไนดูว่าการเดินทาง ถ้าพาว่ามันไม่มีเครื่องบินนะั่นเกิดก็มีรถก็เรือยอย่างเดียวเกิดะขึ้นหลังจากนักสีลปังคาก็หมดหมดจริงๆไม่ใช่หมดธรรมดาหรือเตนเนหรือแตนเนนฟาวัดเหตุเพราะศาสนาอื่นอื่นแหละเขาคงไม่เอ่ยเป็ศาสนาอะไรถ้าไม่เปลี่ยนก็จะไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่ในทางสังคม การศึกษาหน้าที่การงานจะไม่รับสิทธิใดๆเลยภาษีก็จะต้องจ่ายแต่ถ้าหันมานับถือแล้วสิทธิทุกอย่างจะได้รับหมดในกรังกาเแต่ก็ยังดียังมีคนรักษาศาสนาไวา้จนยุค ศิลังกาต่ออายุมาได้ก็เพราะว่าเพื่อนบ้านของพเราพร ม, าม่าเขมรมอนส่วนเราก็พระอุบรีไปสืบต่อเอาไว้จนถึงปัจจุบันศิลังกาเรยอยู่ส่วนบางประเทศซึ่งเมื่อก่อนเป็นโซนนั้นอัฟกา น, า, านิสานปากีสถานถือว่าเป็นตะกัศิลาปัจจุบันไม่ีใครพูดถึงลนะ บางปราเทศสถานการณ์เหมือนศรีลังกาชาพุทธน้อยหมดบาทแล้วการอยู่การเรียนรับราชการอื่นๆฐานะทางสังคมแอบงอโหไม่ขึ้นพุทธน้อยมากที่ประสนไม่ได้เลยทำไมาึงเล่าเรื่องเรื่องเหล่านี้รอบบ้านผ่านเมืองของเราลองดูดิเอ่ยชื่อกรไดรายพม่า สาการเป็นยังไงพระเป็นผู้นำทางการเมืองขคนาหรือกัมพูชาสถานภาพเป็นยังไงเวียดนามจน พ, ะพระเผาตัวประท้วงฆาตตายจุดไฟเผาตัวเองก็เข้าํานองเดียวกันนีก็พระศาสนาอื่นหรือต้นต่อ เราต้องพูดถึงสาคมนิย ม, มต้องพูดถึงจำกัดทำอะไรไม่ได้อยู่แต่ในวัดอื่นๆก็เหมือนกันไม่แต่เราจะเป็นอิสระเสรีไปได้ทุกที่ทำได้ทุกเรื่องแต่ที่สำคัญคือเรามีการศึกษารพร้อมมีครูบาอาจารย์เปียกงสืบทอดมาเป็นร้อยปีมาแล้วเอาเริ่มต้นมาแต่ที เป็นพระปาก็คือหลวงปู่ ม, มันเป็นต้นมาือราการที่สีต้องยกให้โบร า, ารที่ปหลังจากพัะนโบงก็เสียสละกลับไปบวชก็องได้ผ่านการบวชเรียนเข้นอ่านมาแล้วจึงเข้าใจอย่างดีถ้าไม่ปรับเราก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายก็คือพุทธ่แท้จริงคืออะไรก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันก็เริ่มใหม่ะ สารพัดโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันมันยิ่นเร็วสื่อสารโซเชียลแล้วก็มีหลากหลายสารพัดแล้วการเสพของพวกนี้ต้องระมัดระวังมีข้อดีและข้อเสียแต่การปฏิบัติเกียวเรื่องจำเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือตัวเราเนี่ย จะได้รู้รู้คือเกิดการเรียนรู้ในเบื้องต้นจะได้ไม่เปิดประตูผอความชั่วร้ายเหล่านี้เข้ามาในตัวเราทุกวันเนี่ยเราเปิดประตูอาซายินดีต้อนรับตลอดทั้งวันทั้งคืนขนาดกลางคืนยังเปิดประตูไว้ตอนนี้เรานึกถึงบ้านเรา นึกถึงบ้านที่เป็นจริงบ้านที่พักอยู่อาศัยของพวกเราเนี่ยสมมติว่าเราออกมาแล้วเราเปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ลองนึกภาพออาว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเป็นยังไงไม่ต้องล็อกกุญแจนะจะเกิดอะไรขึ้ น, น, ออนะอนลองนึกภาพดูทีนี้ ตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานั่นก็เหมือนกับบ้านที่พักอาศัยใจหรือว่าจิตก็คือคนจิตเราเนี่ยเปิดคือเปิดบ้านเอาไว้คือเปิดช่องถาระแปลว่าช่องคือวาวรแปลว่าประตูแปลว่าหน้าตา่าง ที่ช่องทางที่เข้ามาสู่บ้านเราทีนี้มาดูช่องทางที่สู่เข้ามาตัวบ้านเราก็คือร่างกายจะมูกววตาหูปากมันว่างอะไรไนไหนเจมูกส่วนบนนั้นถ้าเราเปิดเอาไว้เราไม่ติด คืไม่ปิดตาบ้างไม่เปิดหูบ้างไม่เปิดปากบ้า ง, างมันจะเกิดอะไรขึ้นเชื้อโรคเชื้อร้ายกี่ฝุ่นสารพัดความสปกปรกที่เข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยเพราะนั้นมันต้องเปิดบ้างเปิดบ้างทําความสะอาดสําคัญที่สุดบ้านไหนไม่ไปกวาดเช็ดถูแต่ความสะอาดด้วยตัวโอาจีย์บ้านห้องกี่ฝุ่นจะาาสารสกปรก ที่ฝุ่นได้เล็กได้น้อยหยาบบ้างใหญ่บ้างละเอบบ้างนั่นคือกิเลสที่มันเข้ามาสู่บ้านเราไม่ปัดไม่กวาดไม่เช็ดไม่ถูไม่ทำความสะอาดอะไรเลยดูวบ้านคือจิตเจ้าของบ้านคือจิตเน่ยมันจะสกปรกขนาดไหนจิตก็คนที่สกปรกมันเป็นอย่างนี้เพราไปปล่อยประตูหน้าต่างท่างวันทั้ ง, งคืนเรายังไม่พูดถึงขงโมยขจร เหลืออะไรทรัพย์สมบัติของไปฆ่าที่นี่อยู่ในบ้านจะเป็นเหลืออะไรเพราะนั้นของดีที่อยู่ในใจของเรามันจะเป็นเหลืออะไรมันกลายเป็นโจรมาแล้วเป็นสมบัติของโจรมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยกรรมะการรักษามาช่วยกันเปิ ด, ปดให้เป็นเวลาก็แล้วเวลาสถานที่บุคคลภาษาเราง่ายๆคือกาละเทสะ ให้รู้จักการละรู้จากเทษะรู้จักบุคคลสามเรื่องกันเนี้ยชีวิตเราก็อยู่ว่าปลอดภัยทีนี้อยู่ยังไงถึงอยู่ว่าปลอดภัยก็อยู่ด้วยความมีสติสติคืออะไรใช้ควบคิดอันนี้เป็นประโยชน์คิดตอนไหนก่อนที่จะทำพูดคิดเนี่ยต้องก่อนไม่ใช่มาทำไปแล้วมาคิดทีหลัง ก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อที่ทำใช้สติก่อนหรือขยับไปอีกที่หนึ่งขณะขณะที่คิดอยู่ขณะที่พูดอยู่ขณะที่ทำอยู่สติต้องให้มีสติเข้ามัเกี่ยวข้องหรือพูดไปแล้วคิดไปแล้วทำไปแล้วย้อนมอ ง, งหลังแต่มันแก้ไขไม่ได้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันแก้ไขไม่ได้ ดัง น, นตัวที่แก้ไขได้คือปัจจุบันก็คือกําลังคิดกําลังพูดกำลังทำํำจุดเรี่ยวปัจจุบันกบปัจจุบันจุดเรี่ยว่าปัจจุบันธรรมอันนี้แหละที่เหลือก็ขอให้เป็นบทเรียนบทเรียนชีวิตไม่ใช่บทเรียนธรรมดาให้ถือเป็นบทเรียนชีวิตซึ่งไม่มีตําราที่ไหนเขาเขียนไว้จารึกไว้ไม่มีคำภีร์ที่ไหนที่จะรักบุญเอาไว้ จะรึกไว้ที่เดียวคือใจของพวกเราเพราะนั้นเราต้องจดต้องจาของคุณอย่าได้ลงมาพูดเนี่ยว่าอย่าไปเปิดประตูหน้าต่างทั้งวันทั้งคืนคือเปิดใจตัวเองเผอเลยไมนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราลาบากกับเพราะอย่างนี้เพราะเราไปเปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ มันก็เข้ามาสู่บ้านเข้ามาสู่ร่างกายของพวกเราอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นศึกษาคือฝังแล้วโอเปนดิจิโกให้น้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองมางเรับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังจากการเข้าวัดฟังทำจำเส้นเข้านะ้ไม่งั้นแล้วเข้าวัดเป็นสิบปียี่สิบปีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาฟังเอาความจำ แล้วก็หลวงพ่อเทศน์นะแล้วตัวเองทําดีหรือยังยังไม่ทำอยางไม่ทําก็เหมือนยังเปิดประตูหน้าต่างอยู่นั่นแหละเปิดอาจากิเลสทั้งหลายแหลมันก็เข้ามาก็าต้องชําระชําระด้วยอะไรบากต้นคือศีลนึกถึงศีลทันทีนี่เป็นตัวชําระคือตัวความสะอาดบ้านคือจิต ร่าง ก, กายของพวกเราปฉะนั้นต้นต้นตัวนี้ศีลจะเป็นเรื่องสําคัญสำคัญมากๆมีข้อติ่งเพจด้วยเสมอว่าถ้าคนใดวันไหนเวลาใดจิตของเราไม่มีศีลเลยมันเป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระไม่ได้ก็เป็นอะไรได้เล ย, ยเป็นคนยังไม่ได้เลย เป็นมนุษย์จะไปต้องพูถึงเป็นพระองค์งด้เป็นอะไรบางก็เป็นไอ้แคระสัตว์แต่พูดคำนี้สร็เราก็ค่อยๆใจจริงๆแปลว่าสัตว์แบบว่าผู้คล้องอย่างคล้องยังติดอยู่ในการมาพบรูปพบอรูปพเนี่ยเรียว่าสัตตะยิ่งแปลว่าผู้คล้องไม่ได้แปลว่าสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเราน่าจะบอกแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ ขอผู้ที่ไม่มีสินใดๆเลยไม่มีสินสักข้อเลยนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ว่าคนที่มีสินเป็นอย่างนีน้แล้วก็อนาคตบอกได้เลยว่าถ้าสินเราไม่ครบเาไม่บริบูรณ์หรือไม่มีสินสักตัวเลยนั่นแหละต่อไปเราจะกลับมาอีกทีจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เข้าใจบ้านช่องหอไม่สนใจบ้านละเพราะมันไม่มีบ้านอยู่มันได้หอแล้ว นอนตรงไหนก็ได้นอนกดดินนอนก็ได้นอง น, นอนบนต้นไม้ก็ได้นอนไม่ทำก็ได้ไม่ต้องมีเสือ้อมีผ้าไม่ต้องมียารักษาโรคพูดง่ายปัจจัยสี่ที่เราหามานี่ไม่มีเลยเก็บแค่ได้ป่วยไม่ต้องไปถามหาลูกเต้าหล่อหลานโตแล้วก็ตัวใครตัวมันพ่อหย่าน้อนเสร็จก็ไม่รู้ใครเป็นพ่อไม่รู้ใครเป็นแม่ มันยังมีใครเรียกพอ่อเรียกแม่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปประกอบลูกฆ่าพอ่อพยายังเป็นจาผงยังเป็นจาผงเห็นไหมจิตมันหยาบขนาดนั้นนะถ้าเราไม่ศึกษาปัฒนายยกระดับจิตของตัวเองอันตรายบอกเลยว่าอันตรายเพราะนั้นคนที่กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์มันน้อยเราบอกปัจจุบันนี่ยจ็ดเป็นพันล้านคน มันไม่ได้เยอะนะน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งอื่นสิงสาราสัตว์กระหอยปูปลามดแมงที่มาอยู่น้อยมากมากมา ก, มากเลยะฉะนั้นจิตไม่ออกจากร่างไปแล้วถึงจะกลับมาเป็นคนมันจะกลับมาอย่างไงในเมือ่อศีลก็ไม่เคยรักษาจิตมันก็จะไหลไปตามภูมินั่นแหละอันตรายจิกมกินเบาคนนตายกนะ็ น, นึกถึงข้าวตายเนี่ย ม, มันต้องไปต่อแน่นอนนะจะไปไหนทีนี้ก็ได้เมื่อทานก็ไม่เคยให้สินก็ไม่เคยรักษาเทศก็ไม่ได้เอาใจใส่ฟังเลยเป็นเรื่องเป็นราวมีสถิติสัพ ป, ปะจัมญะเกิดอะไรขึ้นจิตมันจะไหลไปไหนก็ น, นึกอินเดียเป็นหลักสองพันกว่าปีนี่เป็นยังไงหลานขาดขาดพุทธศาสนาแล้วเป็นยังไงมันได้นานนะสองพันกว่าปีนะก็แปลว่า จิตของพวกเราแต่ว่าเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์หลายรูปว่าเกิดทันพพุทธเจ้าแต่ว่าไรรับประโยชน์จากการเกิดณเวลานั้นแต่ว่าโชค ด, ดีอย่างน้อยก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ได้เกิดจตธาคือว่าไดประโยชน์คือผู้ไม่คือไม่ได้บัณฑิต ม, มักบัณฑิตค น, น, นอะไรเลยทั้งสองพันกว่าปีมาแล้วมันท่าปัจจุบันถึงประสบความสาเร็จเหนไหมใช้เวลาสองพันกว่าปีนะ ที่เวียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนี้เพราะนั้นจากนี้ไปจิตของพวกเราออกกันนี้ไปแล้วนี่นับไม่ได้แลวท่านยังเรียก ว, ว่าอสองไขมันนับไม่ได้เวียนว่าตายเกิดเป็นสารพัดเป็นอยู่นี่มันไม่ได้เป็นคนทุกภพทุกชาตนะิมันไม่ได้เป็นผู้หญิงทุกภพทุกชาติมันไม่ได้เป็นผู้ชายทุกภพทุกชาติ มันเป็นอนดแล้วในตําราเขาบอกว่าคนตายแต่ละคนเอากระดูกมาก่อนก็ดูของตัวเองนะของเราแต่ละคนเขาบอกว่าเป็นยอดเลยนะยอดก็คือสิบหกกิโลพวกเราเล่นภาพบอกเอากระดูกต่อตกันไปสิบกกิโโน่นสันกระแพงสันประตองในลิมระยะละาย่าเสียแล้วก็สูงไปอีกหนึ่งยอด ส่งจากผู้นดไหรเจ้บ่กวีโรแต่ละคนนะไม่ต้องรับภพรับชาติกันแล้วอาสงไข่เกิดนับไม่ถูกนะ mm hmm. เราได้ยินได้ฟังอะเกิดธรรมสังเวชโอ้ถ้าเรายังมูประมาทมัวเมายัางใช้ปากมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เยียบ่อยอเป็นโทษเลยไปอีกใช้ตาเป็นประโยชน์ไปเห็นแล้วก็เกิดความชอบความไม่ชอบ ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเปิดตาให้ปุ๊บมันไม่ได้เห็นตัวเองสิ่งที่เห็นคือปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเห็นคนอื่นทั้งนั้นในแต่ละวันมันไม่เห็นตัวเองเลยงูเปิดมาปุ๊บไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยปลาที่พูดๆๆไม่เกี่ยวตัวเราเลย น, ะนั่นคือการเปิดประตูหน้าต่างให้มันเข้ามาสู่บ้านเราคือร่างกายจิตใจของเราถ้าจะบอกมัดระวังคือสํารวง นี่เบื้องต้นเนื้อปุจจเจ้าใช่คําว่าสํารวมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการอาหารบันประชิดถ้าให้สํารวมเป็นอย่างนี้มันเข้ามาแน่นอนะมันต่ละวันไม่เชื่อลองเอาปากดูดิเอาปากไว้ทั้งวันลืมตาไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับนี่คือสิ่งปุจจเจ้าสอนหลังจากนั้นคือระวังปากสําคัญมากมๆ ตัวสุดท้ายคือระวังใจคือสารวจนั่นแหละพอาะมันทุกอย่างมันจะมีผลที่ใจมันจะเทบากระเทือนที่ใจมันสะสมแล้วมันจะมีผลนะเพราะนั้นถ้าใจเราไม่มั่นคงใจไม่มีสมาธิทำอะไรไม่ได้โลกนี้คนไม่มีสมธิแม้แต่สวาธิกับการงานสมาธิแบบโล ก, โลก คือหน้าที่การงานที่เราทำเช่นทําขับรับอาหารขับรถไม่วิสติไม่มีสมาีกเกิดอะไรขึ้นนี่คำว่าจิตคำว่าสติคาว่าสมาธิที่จริงมันใช้ได้กับทุกเรื่องไม่แต่แปเอานั่งหลับหูหลับตาอาการนั่งหลับหูหลับตาก็ไม่ได้แปลว่าจิตมันเป็นสมาธิทุกคนทุกครั้งหับตาไปอย่างนั้นละแต่จิตไม่อยู่กับตัวแต่จิตไปเรียกสมาธิได้ยังไงถ้าบางคนมันได้ศินมันได้นั่นแะหับสิน คือกายกับวาจาแต่ใจมันไม่ได้แต่มันยังไปเที่ยวอยู่ใจยังไม่ออกไปนอกบ้านอยู่มันไม่อยู่กับบ้านมันก็มาประโยชน์แต่ประโยชน์น้อยเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวปริยัติจำเป็นต้องมีอยู่ขาดไม่ได้นะครูอาจารย์เป็นตัวแปลเป็นตัวกลางที่สื่อสารให้พวกเราเกิดการเรียนรู้ เพื่อการเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะได้ปิดโดยเฉพาะยิ่งคือถ้าเราทุกคนการปฏิบัติเราทุกคนมุ่งไปอย่างน้อยที่สุดคือปิดอบายคือไม่ไปตกในอบายนั่นแหละเป้าหมายอย่างน้อยที่สุดให้ปิดอบายได้ก่อนอบายคืออะไรก็ให้นักปริยัตอธิบายว่า อาบายนั่นคืออะไรคือในรกเปิดสัตย์สสารพวกนี้เขารียกว่าอาบานคือปิดไม่ให้ไปตกในรกให้ไปเปิดสัตย์สสารอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แค่สั้นๆนะครับว่าปิดอาบายต้องการอะไรก่อนตั้งเป้าไว้อย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นถ้าอะไรยังทําไม่ได้ยังไม่ยังไม่มีโอกาสจะงไม่มีเวลา ยังไม่มีสถานที่ถึงเพียงพอได้ขนาดยังไม่พร้อมก็เอาอย่างนี้ไปก่อนเอาแบบง่ายๆไปก่อนแต่ถ้าผู้นี้ไม่มีเลยเนะี่ยออันตรายเป็นอาบายไม่ได้เนะี่ยอันตรายเลยจิตสุดท้ายมันก็ตกเป็นอาบายเนะี่ยเรียกอาบายโยมเมรนว้นเอกปาพวเราทุกคนพกเพื่อเป็ น, นแวนวแต่างนยก็เป็นแนวนึกแนวคิดนํำประสบแนวการปฏิบัติ ในชีวิตปรจจำบันเราก็จะเชื่อเป็นผู้เจริญคืออยู่แบบโล ก, โลกแต่ทั้งโลกชาวบ้านชาวช่องครับทั้งโลกก็เราก็เจริญคือเจริญแบบโลกแต่ทหารมาทางธรรมบ้านเราก็เจริญในทางธรรมเพราะนั้นคำว่าเจริญก็ขอให้เรามีความเจริญทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ ท, งทางธรรมก็เจริญแบบธรรม ขอร่างรารได้มีนความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกทันเดิน